บุกทูสี่สิบสามอมุตสตสามที่สวนสัตว์ zoo p a ก k i e so สวนสัตว์อยู่ที่นั่น zoo so p a r k อ e a k a r i โซปาร์กิอีกอาริสยีราฟอยู่ตรงนั้นชีราเบีอิกอาริยันชีราเบีอกอาริยันมีอยู่ที่ไหนซัดอาริยันดเบีซาดอาริยันตัเวบีช้างอยู่ที่ไหน สัตอารยปิลอบสัต์อารยันสปิโลเอบีงูอยู่ที่ไหนสัตอารย์งูเวเลบีสัตอารย์งูเวลบสิงตอยู่ที่ไหนสัตอารย์โลบสัตอารยลเมบ ดิฉันมีกล้องถ่ายรูปเมพโทอปาราติมาคุสเมพโทอปาราติมากุสดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้ว ย, ม เ, ยวเมวิมดีโอแอมรัตส์มาคุเมวิดีโอแอมรัตส์มาคุดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนซาดาริสเอเลเมนต สอาริสเอเลเมนตินกแพนกวินอยู่ที่ไหนสัตอาริยนเินบีัตอาริย์นเวินเบีจิงโจ้อยู่ที่ไหนสัอาริย์กูรูบีัตอาริย์นนกรเบีแรดอยู่ที่ไหน สัอารยมาร์ตอเคบสัตอารยมาร์ตอเคบห้องน้ำอยู่ที่ไหนสัอสตอริตัวเติสัตอริตวเลติตลตมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นอิกอาริสาเฟอิกอาส มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นรตอรานีอกอริรตอรานีอกรอูดอยู่ที่ไหนซัดอาริันอคลเมบีัดอาริันอคลเมบีกอลีล่าและม้าลายอยู่ที่ไหน สัตว์อารยันกริเลบิดาเซเบรบสัตว์อารยกริบิ b าเบเรเสือและจระเข้อยู่ที่ไหนสัตว์อารยันเวปเฮบิเนียบสัตว์อารยเวบิดาเนียงเกบิ